พระอนุรุธทธเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของพิสุท์ทั้งหลายผู้มีจักสุขทิพย์การที่พระอนุรุธทธเถระเป็นผู้เลิศเช่นนั้นไม่ใช่เพียงเพราะท่านเป็นผู้มีความชำนาญที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วตลอดแสนกับแต่ยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญอันได้กระทาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้พระเถระนั้น ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่ช่วงเวลาฉันเท่านั้นได้จเจริญอาโลกสิงตรวจดูเหล่าสัตว์ด้วยทิพยจักสุเพียงอย่างเดียวดังนั้นพระเทรานี้จึงชื่อว่าเป็นยอดของพิสุทั้งหลายผู้มีจักสุทิพยเรื่องราวของพระอนุรุทธเทระจะเป็นอย่างไรขอท่านทั้งหลายโปรดรับฟังกันครับ พระอนุรุทธเถระเป็นพระภิสุสาวกเอตากะของพระพุทธเจ้านับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก80องค์สําคัญในสมัยพุทธกาลพระอนุรุทธเถระเป็นพระประยุรย่าของพระพุทธเจ้าโดยท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทธทนะพระราชบิดาของเจ้าชายเศรษฐะ เจ้าชายอนุรุทธะมีพระพาดาพระภคินีหรือพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอีกสองพระองค์คือพระเชษฐาพระนามว่ามหานามะและพระกนิตฐภคินีพระนามว่าโรหินีครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตตระพระอนุทธเถระนั้นบังเกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล ครันเมื่อเจริญไว้แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้ไปยังพระวิหารที่พระปฐุมมุตราพุทธเจ้าประทับอยู่และฝั่งธรรมอยู่แถวท้ายหมู่พุทธบริษัทในวิหารนั้นได้เห็นพิสุรูปหนึ่งที่พระาศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นผู้ยอดของพิสุผู้มีทิพยจักสุท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างพิสุนี้ในาศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการเช่นนั้นบ้างท่านจึงนิมนต์พระปฐุมุตตรพุทธเจ้าซึ่งมีพิสุบบริวารแสนหนึ่งทาการถวายมหาทานตลอดเจดวันในวันที่เจ็ดได้ถวายผ้าชั้นสูงสุดพร้อมทั้งเครื่องเย็บและเครื่องย้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุทธสงฆ์แล้วหมอบลงแทบประบาทของพระศาสดา แสดงความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งการถวายทานสการะนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นใดเพียงแต่ในอนาคตการขอข้าพระองค์ถึงได้ตาแหน่งเอตทัทธัคนั้นในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพิสุจที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่ง ในวันสุดท้ายเจ็ดวันนับแต่วันนี้พระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูอนาคตการด้วยพุทธญาณทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรผู้นี้จกสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่ากุลบุตรผู้เจริญในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจกทรงอุบัติขึ้นท่านจะมีชื่อว่าอนุรุทธะ ท่านจักเป็นยอดของพิสูจน์ผู้มีทิพยยจักสุในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าดังนี้ครั้นเมื่อทรงพยากรแล้วทรงกระทาอนุโมทนาแล้วเสด็จ ก, กลับไปตั้งแต่นั้นมาตราบที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านก็ได้กระทาแต่ ก, กรรมที่ดีมาโดยตลอดครั้นเมื่อพระาศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว พุทธบริษัทต่างร่วมมือร่วมกันสร้างพระสุวรรณเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเจดีทองสูงเจ็โยอสร้างสำเร็จแล้วท่านจึงเข้าไปหาเหล่าพิสุงสงฆ์แล้วถามพิสุงสงฆ์เหล่านั้นว่าทำบุญด้วยอะไรจึงจะทำให้ได้ทิพยายติจกักษุพิสุงสงฆ์บอกว่าควรทาบุญด้วยประทีป ท่านจึงให้สร้างต้นประทีปหลายพันต้นและสร้างประทีปบริวารโดยถ้วยกระเบื้องและถาสมัมฤธิ์นับจานวนไม่ได้ถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานว่าผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้เกิดที่พยะาจาักสุยานท่านกระทำเช่นนี้จนตลอดชีวิตเมื่อหมดอายุไขแล้วก็ท่องเที่ยวไปในภูมิเทวดาและภูมนุษย์ทั้งหลาย วนเวียนอยู่เช่นนั้นตลอดแสนกับต่อมาในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระนามว่าสุมเมทะครั้งนั้นท่านถวายประทีบแก่พระบรมสุคตเป็นพุทธบูชาในขณะที่พระองค์ส่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ควงไม้ประทีปนั้นลุกโพงอยู่เจ็ดวันแล้วดับไปเองอนิสงครั้งนั้นท่านได้กล่าวว่า จะนับจะประมาณนี้ได้อาทิเช่นเมื่อท่านเกิดเป็นเทวดาวิมานของท่านก็มีรัศมีรุ่งโรยสว่างไสวท่านในเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิอยู่28ชาติท่านมีจกักษุอันเป็นทิพย์สามารถมองเห็นได้ไกลหนึ่งโยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนท่านมีรัศมีกายแผ่ออกไปจากร่างประมาณโยชหนึ่งท่านในเกิดเป็นจอมเทวดาสวยราชสมบัติในเทวโลก สามสิบกับครั้นในกาลสมัยแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เกิดในเรือนคฤหาบดีใกล้กรุงพาราณสีเมื่อพระศาสดาปรินิพานพุทธบริษัทได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ทองสูงประมาณหนึ่งโยชนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาสำเร็จแล้วได้ร่วมกันสร้างภาชนะสำริจจำนวนมากบรรจุเนยใสยจนเต็ม แล้ววางไส้ตะเกียงห่างกันหนึ่งองคุลีในภาชนะนั้นกล่าววางล้อมพระเจดีย์ให้เรียงชิดกันแล้วจุดไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาท่านเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงสั่งให้ช่างสร้างภาชนะสมฤทธิ์ที่ใหญ่กว่าบรรจุเนยใสยจนเต็มจากนั้นก็ให้ทำไส้ใหญ่ไว้ตรงกลางถาดและทำไส้เล็กๆพันไว้รอบขอบปากถาด แล้วจุดไฟสว่างสวายถวายเป็นพุทธบูชาท่านได้ประกอบแต่ ก, กรรมดีจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วบังเกิดในเทวโลกในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นท่านถือปฏิสนธิในนครพาราณสีนั่นอีในเรือนของตระกูลยาจกเข็นใจท่านได้มีชื่อว่าอันนภาระเป็นคนหาบยา อาศัยอยู่กับสุมาณเศรษฐีผู้ซึ่งให้มหาทานที่ประตูบ้านแก่คนกำม b a r คนเดินทางวันนิพกและยาจกทุกวันนายอนนภาระแม้จะเกิดในตระกูลยากจนแต่เขาก็เป็นคนใจบุญมักทำบุญอยู่เห น, งหน่งเมื่อมีโอกาสวันหนึ่งพระปัจเจขพุทธเจ้าพระนามวาอุปริท t เข้านิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมารออกจากสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาว่าวันนี้ควรจะทำการอนุเคราะห์ผู้ใดธรรมดาพระปัจเจกบุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์คนเข็นใจท่านจึงคิดว่าวันนี้เราควรทำการอนุเคราะห์นายอนณภาระท่านทราบว่า นายอนนภาระจะออกจากป่ากลับมายัางบ้านตนท่านจึงห่อจากภูเขาคันธมาศมายืนอยู่ที่หน้านายอนนภาระที่ประตูบ้านนั่นเองนายอนนภาระเห็นพระปัจเจกุธเจ้าทรงถือบาทเปล่าจึงนิมนต์ว่าโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดครับแล้วรีบไปถามภรรยาว่าอาหารที่ท่านเตรียมไว้สำหรับเรามีหรือไม่ นางตอบว่ามีเขาจึงไปรับบาตรจากพระประเจกพุทธเจ้ามาแล้วดำริว่าด้วยเหตุที่เราไม่ได้ทำกรรมดีไว้ในชาติก่อนเราจึงต้องเป็นลูกจ้างของเขาอยู่เช่นนี้ครั้นเมื่อเราปรารถนาจะทำบุญแต่ก็ขาดของที่จะทำบุญครั้นเมื่อมีของที่จะทำบุญก็หาพระผู้สมควรรับทยยรรมนั้นไม่ได้มาวันนี้ เราพบพระอุปริท tha ปเจคพุทธเจ้าเข้าพอดีและของที่จะทําบุญก็มีอยู่เราจะใส่อาหารที่เป็นส่วนของเราลงไปในบาตรนี้หญิงผู้เป็นภรรยาก็คิดว่าเมื่อใดสามีของเราให้อาหารซึ่งเป็นส่วนของเขาเมื่อนั้นเราก็ควรมีส่วนในทานนี้เช่นกันคิดดังนั้นแล้วจึงวางอาหารที่เป็นส่วนของตนลงไปในบาตร ถวายแด่พระอุปริทบ h ัเจกพุทธเจ้าด้วยนายอันนภาระนำบาดอันบรรจุพัตตาหารมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากความอยู่อย่างยากลำบากเช่นนี้เถิดขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าจงสาเร็จอย่างนั้นเถิด เขาจึงปูลาดผ้าห่มของตนลงแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อทรงฉันพัตตาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงนั่งณอาสนะนั้นแล้วทรงพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาแล้วจึงทรงฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วนายอนนภาระจึงถวายน้ำสำหรับล้างบาทครั้นเสร็จพัตกิจแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงกระทำอนุโมทนาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จทันทีเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัตรของสุมาเนเศธีเห็นดังนั้นจึงกล่าวสาธุการขึ้นสามครั้งสุมาเนเศธีได้ยินเทพพยายดาประจำฉัตรกล่าวอนุโมทนาจึงคิดว่าเราให้ทานตลอดเวลามากตั้งเท่าไหร่ ก็ยังไม่อาจทำให้เทวดาให้สาทุกการนายอนณภาระที่อาศัยเราอยู่นี้ถวายบิณฑบาตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้เทวดาให้สาทุกการได้เนื่องเพราะเขาได้ทำบุญกับบุคคลผู้ที่สมควรเป็นปฏิคาหงเราพึงให้ทราบแก่นายอนณภาระนั้นแล้วทำให้บุญนั้นเป็นของของเราจริงจะดีคิดดังนั้นแล้ว จึงเรียกนายอนณภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าให้ทานอะไรอะไรแก่ใครหรือนายอนณภาระตอบว่าข้าพระเจ้าถวายพระตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริท tha เศฐีกล่าวว่าเจ้าจงรับกระหาปณ ะ, ะไปแล้วให้บุญนั้นแก่เราเถิดนายอนณภาระตอบว่าให้ไม่ได้หอกนายท่าน เศรษฐีเพิ่มทรัพย์ขึ้นจนถึงหนึ่งพันกหาปณะนายอนณภาระก็ยังกล่าวว่าแม้หนึ่งพันกหาปณะก็ยังให้ไม่ได้เศรษฐีกล่าวอ้อนวอนขอให้ส่วนบุญแก่ฉันเถอะนายอ น, นภาระกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าส่วนบุญนั้นควรให้หรือไม่ควรให้แต่ข้าพเจ้าจะถามพระประเจกับพุทธเจ้าดูถ้าควรให้ก็จะให้ถ้าไม่ควรให้ ก็จะไม่ให้แล้วนายอนนภาระจึงเดินไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าสุมาณเศรษฐีให้ทราบแก่ข้าพเจ้าพันหนึ่งแล้วขอสวดบุญในบิณฑบาต ท, ที่ถวายแก่ท่านข้าพเจ้าควรจะให้หรือไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าเราจะเปรียบให้ท่านฟังในบ้านตํำม น, นี้มีร้อยเรือน เราจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งเท่านั้นเรือนอื่นเอาตะเกียงของตนมาต่อไฟถือไปแสงของประทีปดวงเดิมยังมีอยู่หรือไม่นายอนนภาระกล่าวว่าแสงประทีปก็จะสว่างขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าข้าพระประเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่าฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนอื่นพันคนหรือแสนคนก็ตาม ให้แก่คนเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแก่ตนเท่านั้นดังนี้นายอนนภาระกล่าวพระปัเจคพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังสำนักของสุมาณเศรษฐีกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในบิณฑบาต ท, ท่านเถิดเศรษฐีกล่าวว่าเชิญท่านรับทรัพย์พันกหาปณะไปเถิดนายอนนภาระกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ขายบินทะบาททานแต่ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่เราด้วยศรัทธาแต่เราบูชาคุณของท่านฉันให้พันกระหาปณะนี้จงรับไปเถิดนายอนนภาระจึงถือเอาทรัพย์พันกระหาปณะไปเศรษฐีกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อย ท่านจงปลูกเรือนอยู่ใกล้ถนนเถิดถ้าท่านต้องการสิ่งใดฉันจะมอบสิ่งนั้นให้ท่านจงนำมาเอาไปเถิดปกติแล้วบินธบาต ท, ที่บุคคลใดถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติบุคคลนั้นย่อมได้รับผลบุญในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสุมาณเศษฐีในครั้งก่อนที่ไปเฝ้าพระราชา ก็ไม่เคยชวนนายอนณภาระไปด้วยแต่ในวันนั้นได้ชวนนายอนณภาระไปด้วยในวันนั้นพระราชาไม่มองดูเศรษฐีเลยทรงมองแต่นายอนณภาระเท่านั้นเศรษฐีจึงทูลถามว่าเหตุไฉนพระองค์จึงทรงมองดูแต่บุรุษผู้นี้พระราชาตรัสว่าเรามองดูเขาเพราะไม่เคยเห็นเขาเข้าเฝ้าในวันอื่นๆ เขาชื่ออะไรเศรษฐีทูลว่าชื่อนายอนนภาระแล้วเศรษฐีก็ได้เล่าเรื่องที่เขาไม่บริโภคอาหารของตนแต่ถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริทธ h a และเขาได้แบ่งส่วนบุญให้เขาได้ซับพันกระหาปนะจากตนเพื่อบูชาบุญนั้นพระราชาตรัสว่าเขาก็ควรได้จากเราบ้างเราเอง ก็ควรทําการบูชาบุญนั้นแล้วจึงพระราชทานทรัพย์พันกหาบปณะให้แก่นายอนณภาระแล้วตรัสสั่งให้พนักงานสำรวจดูบริเวณที่จะปลูกเรือนที่นายอนณภาระจะอยู่เมื่อพนักงานกําลังจัดแจงแปลวทางที่สําหรับเรือนนั้นก็ได้พบกลุ่มสัพย์ชื่อปิงคละในที่นั้นตั้งเรียงกันจึงมากราบทูลพระราชา พระราชาสั่งให้ไปขุดขึ้นมาเมื่อพนักงานเหล่านั้นกำลังขุดอยู่ขุมทรัพย์ก็กลับจมลงไปพนักงานเหล่านั้นไปกราบทูลพระราชาอีกพระราชาตรัสว่าทรัพย์นั้นเป็นของนายอนณภาระจงไปขุดเพื่อนายอนณภาระพนักงานก็ไปขุดตามคำสั่งขุมทรัพย์ก็ขุดขึ้นพนักงานเหล่านั้นขนทรัพย์มากองไว้ในพระราชวางัง พระราชาประชุมอมหาทั้งหลายและตรัสถามว่าในเมืองนี้ผู้ใดมีทรัพย์ถึงเท่านี้บ้างอมหาทูลว่าไม่มีใครมีพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นนายอนณภาระนี้จงชื่อว่าธนาเศรษฐีในพระนครนี้เขาได้ฉัดประจำตำแหน่งเศรษฐีในวันนั้นนั่นเองตั้งแต่วันนั้น นายอนนภาระกระทำแต่กรรมอันดีงามด้วยความไม่ประมาทจนตลอดชีวิตจุดติจากภพนั้นไปเกิดในเทวโลกเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลาช้านานครั้งที่พระศ า, าสดาของพวกเราทรงอุบัติเขาก็มาถือปฏิสนธิเป็นเจ้าชายอนุรุท ธ, ธะพระโอรสแห่งพระเจ้าอมิโตธนะสักยะ ผู้เป็นพระอนุชาแห่งพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโทธทนะสากยะแห่งกรุงกบิลพัทเจ้าอนุรุท ธ, ธะเป็นน้องชายของเจ้ามหานามสากยะท่านทรงเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีบุญมากทรงมีโพค้าสมบูรณ์ไม่เคยทรงสดับคำว่าไม่มีดังมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่ง เมื่อท่านพร้อมกับพระยาท่าพระองค์ส่งเล่นกีฬาลุกครุกอยู่เจ้าชายอนุรุท ธ, ธะทรงแพ้พนันขนมแล้วจึงให้มหาดเล็กไปกราบทูลพระมารดาเพื่อให้ส่งขนมมาเป็นค่าที่แพ้พนันพระมารดาของท่านก็ทรงจัดขนมส่งไปสากยราชทั้งหกเสวยและทรงเล่นกันอีเจ้าชายอนุรุท ธ, ธะก็เป็นฝ่ายแพ้ร่าไป ส่วนพระมารดาต้องส่งขนมไปถึงสามครั้งในวาระที่สี่จึงส่งให้ไปแจ้งว่าขนมไม่มีพระกุมารทรงคิดว่าขนมชื่อนี้คงเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งเพราะไม่เคยทรงได้ยินคาว่าไม่มีจึงส่งคนไปทูลพระมารดาว่าให้นำขนมไม่มีนั่นแหละมาเถิดฝ่ายพระมารดาของท่าน เมื่อมาหาเล็กทูลว่าเจ้าชายอนุรุทธะขอให้ทรงประทานขนมชื่อไม่มีไปถวายจึงทรงพระดาริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเราจะสอนลูกเราให้รู้คำนั้นด้วยอุบายนี้ดาริแล้วจึงทรงปิดถาดทองคาเปล่าด้วยถาดทองคาอีกใบหนึ่งแล้วส่งไปด้วยผลแห่งอธิษฐานในคราวที่เจ้าชายอนุรุทธะสักยะ เกิดเป็นนายอนนภาระได้ถวายพระ ต, ตาหารแด่พระปัเจกับพระเจ้านามว่าอุปริทธ h และทำความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคํคำว่าไม่มีจึงทำให้ถาดนั้นเต็มไปด้วยขนมทิพย์เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นครุบแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ตั้งตลบไปทั่วทั้งพระนคร พอกริย์ทั้งหกหยิบขนมเข้าไปในพระโอษฐ์เท่านั้นโอชาก็แผ่ซ่านไปทั่วปราสาทรับรสทั้งเจ็ดพันพระกุมาร น, นั้นสรงพระดรําริว่าพระมารดาคงจะไม่รักเราพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงขนมชื่อไม่มีนี้ให้เรามาก่อนตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กินขนมอื่นแล้วเสด็จไปสู่ตําหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ หม่อมชันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่เป็นที่รักเจ้ายังเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉนั้นพระมาณดาตรัสเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดเจ้าแม่จึงไม่เคยทรงปรุงขนมไม่มีประทานแกหม่อมชันเล่าเจ้าแม่พระกุมารตรัสถามพระนางรับสั่งถามมหาเล็กคนสนิทว่า ขนมอะไรอะไรมีอยู่ในถาดหรือมหาหเล็กทูลว่ามีขนมเกิดขึ้นเองอยู่เต็มถาดขนมเช่นนี้กระหมอ่อมชั้นก็ยังไม่เคยเห็นพระนางทรงดำริว่าบุตรของเราคงเป็นผู้มีบุญบุญนั้นคงทําให้มีขนมเต็มถาดพระโอรสจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่ตั้งแต่นี้ไป หม่อมฉันจะไม่เสวยขนมอื่นขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระกุมารทูลขอขนมพระนางก็ทรงครอบถาดเปล่านั้นด้วยถาดอื่นส่งไปประทานพระกุมาร น, นั้นขนมทิพย์ก็เกิดขึ้นถวายพระกุมาร น, นั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นคาราวาสส่วนทางพระโพธิสัตว์ที่ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาถือปฏิสนธิในคันของอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงเจริญวัยโดยลำดับทรงครองเรือนอยู่29ปีแล้วทรงเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงแทนตลอดพระสัพพัญยุตยานโดยลำดับทรงยับยั้งที่โพธิมันทสถานเจ็ดสัปดาห์ประกาศพระธรรมจากนป่าอิสิกปตนะมิขタยวัน ทรงกระทำการอนุเคราะห์โลกครั้นเมื่อพระเจ้าสุดโททนะทรงสดับข่าวว่าพระบรมศาสดามาอย่างกรุงราชฤทิ์จึงทรงรับสั่งให้อมานการุฑายีไปนิมนต์พระบรมศาสดาอามานการุฑายีก็ได้บวช ด, ด้วยเอหิพิคุ ป, ปันพาชาแล้วพระการุฑายีเถระทูลวิงวอนให้เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา อย่างนคกกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นทรงทำพระธรรมเทศนาอันวิจิตแก่พระพุทธบิดาและพระประยุรยาตเมื่อทรงอนุเคราะห์พระญาตแล้วทรงให้ราหุลกุมารบรรพชาแล้วไม่นานนะักก็เสด็จจากกรุงกบิลพัทไปจาริกในแคว้นมัลละแล้วเสด็จกลับไปยังอนุปยอัมพวันสมัยนั้น พระเจ้าสุดโททนะมหาราชทรงประชุมสากยศกุลทั้งหลายตรัสให้แต่ละตระกูลในสากยราชวงศ์ส่งขัตยกุมารออกบวชตามสเสด็จในครั้งนั้นเล่ากันว่าขัตยกุมารถึงพันองออกผนวดโดยพระดําริครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อขัติยกุมารโดยมากเหล่านั้นผนวดแล้วเหล่าพระญาต เห็นสากยะหกพระองค์นี้คือพัิยราชาเจ้าชายอนุรุต t h เจ้าชายอนันทะเจ้าชายะคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้สากยะทั้งหกนี้มิใช่พระญาตหรือจึงไม่ได้ทรงผนวดเมื่อเป็นดังนั้น เจ้ามาหานามากยะจึงเข้าไปหาเจ้าอนุรุท ธ, ธาสากยะผู้เป็นน้องและกล่าวว่าบัดนี้สากยะกุมารที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากได้ออกผนวตตามเสด็จแต่ผู้ออกจากตระกูลเรายังไม่มีน้องจากบวชหรือว่าพี่จากบวชพระอนุรุทธาราชกุมารจึงทูลถามว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรเจ้ามาหานามะจึงตรัสว่า ผู้บวชก็ต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องลาดด้วยไมย้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายเที่ยวบินธบดีอยู่นี่ชื่อว่าการบวชเจ้าอนุรุทธะสักยะจิงทูลว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นสุขุมารชาติหม่อมฉันจะกไม่สามารถบวชได้เจ้าอนุรุท ธ, ธากุมาร น, นั้นทรงเป็นกษัตริย์ผู้สุขมุม มีโภควาสมบูรณ์แม้คำว่าไม่มีก็ไม่เคยได้ยินจึงไม่ยินดีในการบวชเจ้ามหานามะจึงตรัสว่าอย่างนั้นเจ้าจงเรียนรู้การงานสำหรับอยู่เป็นคราวาสเถิดในระหว่างเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนก็เป็นเรื่องไม่ควรอนุรุทธากุมารผู้ซึ่งไม่รู้แม้กระทั่งว่าอาหารที่ตนบริโภคนั้นเกิดที่ไหน ได้มาอย่างไรจะรู้จักการงานได้อย่างไรก็วันหนึ่งยุวกษตรสามองค์คือเจ้ากิมพิละเจ้าอนุรุท ธ, ธะและเจ้าพัทยะทรงสนทนากันด้วยเรื่องที่ว่าข้าวที่เราบริโภคเกิดขึ้นที่ไหนกิมพิละกุมารตรัสว่าเกิดขึ้นในฉางครั้งนั้นพัทยากุมารตรัสคานกิมพิละกุมาร น, นั้นว่า ท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งข้าวชอวข้าวย่อมเกิดที่หม้อข้าวเจ้าอนุรุทธะตรัสแย้งว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาข้าวย่อมเกิดในถาดทองคำประมาณสอกกรรมได้ยินว่าบรรดายุวกษัตริย์สามองค์นั้นวันหนึ่งกิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากช้างก็เข้าพระไยว่า ข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นในฉางนั่นเองฝ่ายพระพัททิยกุมารทรงเห็นเข้าคดข้าวออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระไยว่าข้าวเกิดขึ้นในหม้อข้าวนั่นเองส่วนอนุรุทธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าวหรือคนคดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เข้าคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าพระไยว่า ข้าวเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภคยุวกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งข้าวตามเรื่องที่เล่ามาข้างตน้นเพราะฉะนั้นอนุรุท ธ, ธกุมาร น, นี้จึงทูลถามว่าการทํางานนี้เป็นอย่างไรเจ้ามหานามสัสากยะจึงสอนเรื่องการครองเรือนแก่อนุรุท ธ, ธกุมารผู้น้องว่า ผู้อยู่ครองเรือนชั้นต้นต้องให้ไถนาครั้นแล้วให้หวานให้ไข่น้ำเข้าครั้นไข่น้ำเข้ามากเกินไปต้องให้ระบายน้ำออกครั้นให้ระบายน้ำออกแล้วต้องให้ถอนหญ้าครั้นแล้วต้องให้เกี่ยวให้ขนให้ตั้งลอมให้นวดให้สงฟางออกให้ฝัดข้าวรีบออกให้โปรยละอองให้ขนขึ้นฉาง ครั้นถึงฤดูฝนก็ต้องทำอย่างนี้อีกเป็นอย่างนี้ทุกปีครั้นอนุรุท ธ, ธากุมานได้ทรงฟังกิจการที่คาราวาจะพึงทำเป็นประจำทุกปีเช่นนี้ทรงมองไม่เห็นว่าการงานสำหรับเพศคาราวาทั้งหลายจะมีที่สิ้นสุดเมื่อไรจึงทูลให้เจ้ามหานามะทรงครองคาราวาส่วนตนเองจะเป็นผู้ออกบวช เจาอนุรุทธะสักยะจึงเข้าไปหาพระราชมารดาแล้วกล่าวขออนุญาตที่จะออกบวชพระราชมารดาไม่ทรงยินยอมท่านได้กล่าวอ้อนวอนถึงสามครั้งพระราชมารดาของอนุรุทธะสักยะทรงคิดว่าพระเจ้าพัทธิยะสักยะผู้ทรงเป็นพระสหายสนิทของอนุรุทธะสักยะนี้ทรงครองราชสมบัติเป็นพระราชาของพวกสักยะ พระองค์คงจะไม่อาจสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นแน่จึงได้กล่าวกับอนุรุทธะสากยะว่าถ้าพระเจ้าพัทยสาสักยะทรงผนวดเจ้าก็ออกบวชได้ลำดับนั้นอนุรุทธะสากยะจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพัทยะสากยะแล้วได้ทูลว่าการบวชของเรานั้นขึ้นอยู่กับตัวท่าน พระเจ้าพัทิยสักยะตรัสว่าไม่ว่าการบวชของท่านจะขึ้นอยู่กับตัวเราหรือไม่ก็ตามท่านจงบวชตามสบายเถิดอนุรุทธะาสาักยะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราทั้งสองจะออกบวช ด, ด้วยกันพระเจ้าพัทิยสักยะตรัสว่าเราไม่สามารถออกบวชได้ถ้ามีสิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทำให้ท่านได้ เราจะทำสิ่งนั้นให้แก่ท่านท่านจงบวชเองเถิดอนุรุท ธ, ธาศสากัยะตรัสว่าก็พระมารดาได้ตั้งเงื่อนไขกับเราว่าถ้าท่านบวช ด, ด้วยพระมารดาก็จะยอมให้เราบวชกระทานภูดเมื่อครู่นี้ว่าเราจงบวชตามความสบายดังนั้นเมื่อท่านยอมให้เราบวชท่านก็ต้องบวช ด, ด้วยในสมัยนั้นคนทั้งหลายเป็นผู้มีความสาัตย์ ดังนั้นพระเจ้าพัิยศสักยะได้ต่อรองว่าจงรออยู่อีกสักเจ็ดปีเถิดเมื่อครบเจ็ดปีแล้วเราทั้งสองจึงจะออกบวช ด, ด้วยกันฝ่ายเจ้าอนุรุทธะก็ไม่ยินยอมการต่อรองได้ดำเนินไปโดยลดระยะเวลาลงเรื่อยๆจนถึงเจ็ดวันเจ้าอนุรุทธะจึงยอมแต่นั้นกษัตริย์ทั้งหกองค์นี้ คือพัทยสาสักยราชเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอนันทะเจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมพิระและเจ้าชายเทวทัตพร้อมกับนายภูสามาลาชื่ออุบาลีได้เสด็จออกจากเมืองโดยทาเสมือนหนึ่งว่าจะเสด็จไปประพาสอุทยานเมื่อออกนอกแดนที่เหล่าสักยะทั้งหกปกครองแล้ว ก็ทรงส่งทหารมหารเล็กให้กลับพระนครแล้วเสด็จต่อไปเข้าสู่แดนของสกยราชพระองค์อื่นกษัตริย์หพระองค์ก็ทรงเครื่องอาภรณ์ของตนออกทําเป็นหอ่อแล้วรับสั่งให้นายอุบาลีกลับไปพร้อมกับนําเครื่องประดับเหล่านั้นไปเพื่อเลี้ยงชีฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับโดยคิดว่าถ้าเรา กลับไปพร้อมเครื่องประดับเช่นนี้เจ้าสากยราชเหล่านั้นก็จะฆ่าเราเสียด้วยคาประไถวว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปลงพระชนเสร็จแล้วแล้วก็คิดต่อไปว่าสากยากุมารเหล่านี้ทรงสละสมบัติทิ้งอาภรณ์อันหาค่าไม่ได้เหล่านี้ราวกับถมน้ำไหลทิ้งเพื่อออกผนวดก็ทําไมเราจึงจะทำเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่า ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อเครื่องประดับนั้นเอาอาพรเหล่านั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าใครต้องการก็จงเอาไปเถิดแล้วหันกลับเดินไปสู่สำนักของสากยักุมานเหล่านั้นสากยักุมานเหล่านั้นเห็นอุบาลีภูษามาลากลับมาจึงตรัสถามถึงเหตุที่กลับมานายภูษามาลาก็กราบทูลให้ทรงทราบ ลำดับนั้นสากยะกุมาเหล่านั้นทรงพาอุบาลีผู้สามาลาไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกหม่อมชั้นเป็นเจ้าสากยะยังมีมานะความถือตัวอยู่อุบาลีผู้นี้เป็นนายภู้สามาลาเป็นผู้รับใช้ของหม่อมชั้นมานาน ขอพระผู้มีพระภาคจงให้อุบาลีผู้เป็นภูสามาลานี้บวชก่อนเถิดพวกหม่อมชันจะทำการอภิวาทการลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่อุบาลีผู้เป็นภูสามาลานี้เมื่อเป็นอย่างนี้ความถือตัวว่าเป็นสากยะของพวกหม่อมชันจะเสื่อมคลายลงลาดับนั้นพระผู้มีพระภาค โปรดให้อุบาลีผู้เป็นผู้สามาลาบวชก่อนให้สากยากักษมาเหล่านั้นผนวดต่อภายหลังท่านพระพัฒยะได้เป็นพระอรหันเตวิชโชโดยระหว่างพันสานั้นนั่นเองท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้มีจกักษุเป็นทิพย์แต่อย่างไม่บรรลุพระอรหัตตผลท่านพระอา น, นุ์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปันติผลพระภคุเถระ และพระกิมพิลาเทระภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนพระอนุรุท ธ, ธาเทระบวชแล้วเป็นผู้ได้สมาบัติภายในภาษาก่อนเพื่อนได้ทิพยะจากสุยานต่อมาท่านได้เกิดความไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมจึงไปยังสำนักของพระสารีบุตรเทระ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรผมตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยาจากักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจกักษุของมนุษย์ก็ผมปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระสำาระสายจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาเหตุใดเล่าจิตของผมจึงยังไม่พ้นจากอาสวะ ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักรสุของมนุษย์ดังนี้เป็นเพราะมานะหรือความถือตัวของท่านยังมีอยู่การที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็เราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติมั่นไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระสำารส า, าย จิตตั้งมั่นเป็นเอกขตาดังนี้เป็นเพราะอุดทัจะหรือความฟาุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตของท่านยังมีอยู่การที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเออก็ชไหนเล่าจิตของเรายังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไ ม, ม่ยึดมั่นดังนี้ก็เป็นเพราะกุกกุจจะหรือความรำคาญความเดือดร้อนใจของท่านยังมีอยู่ ท่านจงละทำสามอย่างนี้ไม่ใส่ใจทำสามอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุครั้งนั้นแหลท่านพระสารีบุตรเทระบอกกรรมฐานแก่พระอนุรุธทธะเทระด้วยประการเช่นนี้ท่านรับกรรมฐานแล้วไปทูลลาพระศาสดาแล้วเดินทางไปบำเพ็ญสมณธรรมณปาจีนวังสทายวันแขวนเจติย ยับยั้งอยู่ด้วยการจงกรมเป็นเวลาครึ่งเดือนท่านลำบากกายเพราะกรากรำด้วยกําลังความเพียรวันหนึ่งท่านนั่งอยู่ภายใต้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก็ตรึกนึกถึงมหาบุริสวิตตกหรือความนึกคิดของมหาบุรุษเจ็ประการว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารกความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมัน มิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามพระอนุรุทธะตรึกตรองได้เจ็ดข้อนี้ก็เกิดปริวิตตกคิดกังวลว่าธรรมนี้ เราพิจารณาถึงที่สุดแล้วหรือยังหนอในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตตกทางใจพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตตกทางใจของท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้วสเสด็จจากเพสก尔ามิคทายวันแขวนเมืองสุดสูงมารักีระแขวนภักคะพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้ว แม่พระอนุรุธทธะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุรุธทธะว่าดีแล้วดีแล้วอนุรุธทธะถูกละที่เธอตรึกมหาบุริสวิตกดูก่อนอนุรุธทธะเธอจงตรึกตรองมหาบุริสวิตกในข้อที่แปดว่าธรรมะนี้ เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นชา้ามีชัยของบุคคลผู้ยินดีในธรรมที่ทำให้เนิ่นชา้าในเวลาใดที่เธอตรึกตรองมหาปริสวิตก8แปประการนี้ในเวลานั้นเธอจะหวังได้ทีเดียวว่าเธอจะเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในชานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่ เป็นสุขในปัจจุบันจากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสให้พระอนุรุท ธ, ธาเทระอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจินวังสทัยวันแขวนเจดีนคร น, นี้ต่อไปอีกแล้วเสด็จห อ, อกกลับไปที่ป่าเพสกลามิขทัยวันแขวนเมืองสุดสุงมาราคกีระแขวนพักคะพระอนุรุทธะยินดียิ่งในพระธรรมนั้น ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทําให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจารยนยอดเยี่ยมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้บรรลุวิชาสามอันได้แก่ปุเพนิวาสานุสติยานปูุระลึกชาติของกิเลสได้ จุดูปปาตายานรู้การเกิดดับของกิเลสสักโลกได้อาสวัคยายานรู้ความหมดสิ้นไปของกิเลสตนได้ต่อมาภายหลังพระาศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารส่งสถาปนาพระอนุรุทาเตระไว้ในตำแหน่งผู้มีจักสุขถิเป็นเลิศกว่าพิสุสาวกทั้งหลาย แม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระอนุรุท ธ, ธาเทระก็ยังคงปฏิบัติตนเคร่งครัดในเรื่องการนอนท่านได้ประกาศว่าเราถือการไม่เอ็นกายนอนเป็นวัดเป็นเวลาถึง55ปีมาแล้วเรากำจัดความง่วงเหงาหานอนมาแล้วเป็นเวลา25ปีครั้งหนึ่งพระอนุรุท ธ, ธาเทระ อยู่ในวิหารชื่อโกสัมภกุดีถ่ายพระเชตวันมหาวิหารท่านลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนั่งภายในวิหารณที่นั้นสวดอัปปามาทว์เป็นสารพัญญาด้วยเสียงอันไพเราะนางยักษินีนั้นอุ้มหมุดชื่อเปียงกระสแสวงหาอาหารอยู่ตั้งแต่ข้างหลังพระเชตวันมุ่งตรงต่อพระนครโดยลำดับ สแสวงหาอยู่ซึ่งของกินที่เสียคืออุจจระปัสสวะน้ำลายน้ำมูกถึงสถานที่อยู่ของพระเถระได้ฟังเสียงอันไพเราะเสียงนั้นตัดผิวหนังเป็นไปจนเยื่อในกระดูกเข้าไปถึงหัวใจของนางหยุดอยู่ครั้งนั้นนางยัก ษ, ษินีนั้นไม่คิดในการสแสวงหาอาหารนางยืเนเงี่ยโสดลงฟังธรรม ส่วนยักษ์คทถารกไม่มีจิตในการฟังธรรมเพราะเป็นเด็กเขาถูกความหิวเบียดเบียนแล้วจึงเตือนมารดาแล้วแล้วเล่าๆ ว, ว่าเพราะเหตุใดแม่จึงยืนไม่ไหวจริงในที่แม่มาแล้วไม่สแสวงหาของเคี้ยวหรือของบริโภคสาหรับลูกนางคิดว่าบุตรจะทำอันตรายแก่การฟังธรรมของเราจึงปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่า ปียงกระอย่าส่งเสียงดังนางแสดงศีลห้าที่สมท า, านแล้วเป็นผู้สํารวมแล้วนางยักษณีกล่าวว่าลูกเราละเวนห้าเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในยักษ์ขลกเสร็จแล้วปฏิบัติโดยอุบายอันแยบขายแล้วจึงจะพ้นจากกาำเนิดยักษ์ปีศาจซึ่งมีภิกษาหายากทั้งจะพากันอดตาย สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งณเวลาเย็นในสมัยนั้นในหมู่บ้านนั้นมีสตรีผู้หนึ่งชื่อ นางขันทักันธีนีจัดเรือนพักสําหรับอาคันตุกะไว้เป็นสถานที่อันนางจัดสร้างไว้เพราะความเป็นผู้ประสงค์บุญท่านพระอนุรุทะฟังคําของพวกชาวบ้านว่ามีเรือนพักอันเขาจัดไว้ณที่นั้นจึงเข้าไปหานางขันทักษันธีนีแล้วได้ขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งนางขันทักษันธีนีก็นิมนต์ท่านพักแรม ต่อมามีพวกคนเดินทางกลุ่มอื่นเข้าไปหานางคันทักคันที่นี่แล้วได้ขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งเช่นกันนางจึงกล่าวว่ามีพระสมณะเข้าไปพักแรมอยู่ก่อนแล้วถ้าพระสมณะนั น, นอนุญาตก็พักแรมได้คนเดินทางพวกนั้นจึงพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะแล้วได้ขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งพระเถระก็อนุญาต อันที่จริงนางคันทะคันที่หนีนั้นเมื่อได้เห็นพระเถระก็ได้มีจิตปฏิพัตดังนั้นนางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะแล้วได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าอาศัยปะปนกับคนพวกนี้จะพักผ่อนไม่สบายดิฉันจะจัดเตียงถวายพระคุณเจ้าให้พักข้างในท่านพระอนุรุทธะรับด้วยอาการดุษณีภาพ ครั้นแล้วนางได้จัดเตียงที่มีอยู่ข้างในถวายท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้วประดับตกแต่งร่างกายให้หอมเข้าไปหาท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้วได้กล่าวเกี่ยวพาราศีพระเทระท่านพระอนุรุท ธ, ธะมิได้โต้ตอบท่านได้นิ่งเสียนางได้พยายามเกี่ยวพาราศีท่านพระเทระถึงสามครั้งในครั้งที่สามนางได้ขอให้พระเทระ รับเอานางเป็นภรรยาและปกครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดแม้ครั้งที่สามพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียนางเห็นดังนั้นนางจึงได้เปลื้องผ้าออกแล้วเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเบื้องหน้าท่านพระอนุรุทธะฝ่ายท่านพระอนุรุทธะสำรวมอินทรีไม่ แ, แลดูไม่ปราศัยกับนาง นางเห็นพระเถระสำรวมกายวาจาใจได้เช่นนั้นจึงอุทานว่าน่าอัศจรรย์นะคนเป็นอันมากยอมให้ทรัพย์เราร้อยกหาปณะบ้างพันกหาปณะบ้างส่วนพระสมณะรูปนี้เราวิงวอนด้วยตนเองยังไม่ปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมดแล้วจึงนุ่งผ้า สบศีรษะลงที่เท้าของท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้วได้กล่าวคำขอขมาต่อท่านท่านพระอนุรุท ธ, ธะก็ยกโทษไท้ครันรุ่งเชา้านางได้ถวายพัตตาหารแด่พระเถระครั้นเสร็จพัตกิจแล้วจึงแสดงธรรมให้นางฟังนางจึงเกิดความเลื่อมใสขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระธรรม และพระพิสุทธ์ส่งว่าเป็นสารณะขอเป็นอุบาสิกาพูดถึงสารณะตลอดชีวิตต่อจากนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้ลเล่าเรื่องนั้นแก่พิสุทธ์ทั้งหลายฟังบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใกล้ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียน โธนาว่าชไหนท่านพระอนุรุทธจึงได้สําเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าครั้นแล้วพิสุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธว่าดูก่อนอนุรุทธะข่าวว่าเธอสําเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือ ท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อ น, อนุรุธทธะฉไหนเธอจึงได้สําเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าการกระทาของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นว่าพิสุขใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นอาบัตปาจิตตีสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุธทธะพำนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกสนครั้งนั้นนางเทพิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์หนึ่งชื่อชาลินีในอดีตเคยเป็นภระยาเก่าของท่าน นางยังคงมีความสเสน่หาอาลัยในพระมหาเทราอยู่นางเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ตามเวลาปัดกวาดบริเวณเข้าไปตั้งน้ำล้างหน้าไม้สีฟันน้ำฉันน้ำชัยให้พระเทระใช้สอยครันแล้วได้ ก, กล่าวกับพระเทระให้นึกถึงความสุขอันน่าใคร่ทั้งหลายทั้งปวงบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ที่ท่านเคยอยู่ในการก่อนร่างร้อมด้วยหมู่เทวดาแวดล้อมเป็นบริวารเพื่อให้ท่านได้ตั้งจิตไปเกิดในภูมิเทวดาอีกลำดับนั้นพระเทระกล่าวแก่เทพธิดาว่านางเทพธิดาผู้เาาวท่านไม่รู้แจ้งถึงคำของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสด้ย่อมเป็นสุขบัด น, นี้การเกิดในภพใหม่ไม่ว่าในภูมิใดๆของเราไม่มีต่อไปอีกแล้วนางเทพธิดาได้ฟังดังนั้นหมดความหวังแล้วกลับไปอย่างวิมานในวันหนึ่งพระเทระมีจีว่านเก่าแล้ว จึงได้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วในที่ทั้งหลายเช่นตามก่องขยะเป็นต้นนางชาลิณีเทพิดา น, นั้นเห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลอยู่จึงถือผ้าทิพสามผืนยาวสิบสามอกกว้างสงี่อกแล้วคิดว่าถ้าเราจักถวายท่านตรงๆท่านคงไม่รับ จึงสุกผ้าไว้บนกองขยะแห่งหนึ่งให้โผล่มาเพียงชายผ้าเท่านั้นเมื่อพระเทระเห็นชายผ้าของท่อนผ้าเหล่านั้นแล้วจึงดึงชายผ้าออกมาเห็นเป็นผ้าบางสกุลจึงถือเอาแล้วกลับไปครั้นในวันทาจีวรของพระเทระนั้นพระศาสดามีพิสษุห้าร้อยรูปเป็นบริวารเสด็จไปที่พระวิหารประทับนั่งแล้ว แม้แต่อสิติมหาสาวกทั้งแปดสิบรูปก็นั่งอยู่ด้วยพระมหากสปาทเทระนั่งแล้วต่อนตอนเพื่อเย็บจีวรท่านพระสารีบุตรเท ร, นนระ น, น, ทรนั่งในท่ามกลางพระอานนทเทระนั่งในท้ายที่สุดพิสุปสงกรอได้พระาศาสดาทรงร้อยได้นั้นในรูเข็มพระมหาโมคคลานาเทระ เป็นผู้จัดหาวัตถุที่พระสงฆ์ต้องการแม้เหล่าเทพทิดาประจำบ้านก็เข้าไปสู่ภายในบ้านแล้วชักชวนให้เจ้าบ้านมาถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ในครั้งนั้นพระตาหารอันมีข้าวยาคูของควรเคียวทั้งหลายมีปริมาณเป็นอันมากจนพิสุท์ทั้งหลายฉันไม่หมดเหลือกองอยู่เป็นนันมากพิสุทั้งหลายโพธนาว่า มูพิสุมีเพียงเท่านี้เพราะเหตุใดจึงมีผู้นําพัตตาหารมาถวายจนเหลือมากมายป่านนี้พระอนุรุทธะเทระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ว่าญาตและอุปัถาของตนหนีมากลําดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามภิสุเหล่านั้นว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเมื่อพิสุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตนโจด จ, จันอยู่ พระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าพิสุททั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าอนุรุท ธ, ธะเป็นผู้ขอให้นำของเหล่านี้มาหรือพิสุททั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าพิสุททั้งหลายอนุรุท ธ, ธะผู้บุตรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นแม้พระกีนาศพทั้งหลายก็ย่อมไม่กล่าว ปัจใจบินทบาลเหล่านี้เกิดด้วยอนุภาพของเทวดาในสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาท่านพระอนุรุตธ h ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้แจ้งข่าวพุทธกิจบนสวรรค์ให้ประชาชนทราบในครั้งนั้น ขณะที่พระองค์ประทับหน้าบรรดุกําพลศิลาอาส่งมีพระรัตมีแผลกว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังกุระเทพบุตรนั่งอยู่ในที่ข้าง้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพระพุทธองค์อังกุระเทพบุตร ก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึงสิบสองโยชน์ขณะที่เทพบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทะกะเทพบุตรมานั่งเช่นไรในตอนแรกก็ยังคงอยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างระหว่างทานที่บุคคลถวายแด่ทักินัยะบุคคล ในาศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานา น, านถึงหนึ่งหมื่นปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึงส2องโยน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึงส2สองโยน์ ใกล้กว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังกุรัตเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้บริจาคทานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักษินไยบุคคลส่วนอินทากาตเทพบุตรนี้ แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียงข้าวทัพผีเดียวแต่เพราะทมถูกทักษินายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพเจ้าเหมือนดวงจันทรรุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระบรมศาสดา จ, จึงตรัสถามอินากาทกระเทพบุตรผู้นั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทากะาเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักษินายบุคคล ดุดหวานพืชแม้น้อยในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบู์และเพื่อจะประกาศความสำคัญของทักทินัยบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบู์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจชันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีนย่อมไม่ไพบู์ ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่หวานแล้วในนาดีย่อมมีผลภัยบุญชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญในท่านผู้มีศีลมีธรรมที่มั่นคงย่อมอํานวยผลภัยบุญให้ทายกชื่นชมยินดีฉันนั้นเหตุอันอินทกาเทพบุตรพูดเช่นนี้ เพราะเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุท ธ, ธาเทระผู้เป็นอรหันตาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนี้ย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเท พ, พบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวส2องโยชนเพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึงหนึ่งหมื่นปี เมื่ออินทรกระเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังกุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทําเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มาก ทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาให้ในเขตนั้นการให้ด้วยพิจารณาตถาคตสันเสริญทานที่ให้แล้วในทักินายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหวานพืชที่บุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นคสิธาราม ใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามานาปกาญิกามากมายพาขเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ ถ, ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กล่าวดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพระเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยพลันหนึ่งหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันหนึ่งหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันหนึ่ง ข้าแต่พระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกาญิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะดำริว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพันเขียวมีเครื่องประดับเขียวเป็นต้นลำดับนั้น เทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุตธ h แล้วล้วนมีร่างเขียวมีผิวพันุ์เขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวเป็นต้นท่านพระอนุรุตธ h จึงดำริต่อไปว่าโอหนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้มีร่างขาวมีผิวพันุ์ขาวนุ่งผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวเป็นต้น เทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุตธะแล้วล้วนมีร่างขาวมีผิวพันขาวนุ่งผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นต้นหนึ่งขับร้องต้นหนึ่งฟ้อนรำต้นหนึ่งปรบมือเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่เขาปรับดีแล้วทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญ มีเสียงไพเราะร้าใจชวนให้เคลิบเคลิมและน่ารื่นรมชันใดเสียงแห่งเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นก็ชันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นท่านพระอนุรุธทธะทอดอินทรีลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าอนุรุธทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปณที่นั้นครั้งนั้น เป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่เรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาทีควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องราวที่เทวดาเหล่ามานาปกายิ่กาพากันเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วลำดับเหตุการ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรใด เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาพระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมแปดประการซึ่งสตรีที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาได้แก่หนึ่งตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้สามีประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยคำเป็นที่รัก 2. เคารพสัต์การะและต้อนรับบุคคลที่สามีเคารพคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์ 3. เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่เป็นงานในบ้านของสามีและทำงานนั้นด้วยปัญญา 4. จัดการและดูแลงานที่คนในบ้านของสามีคือทาต คนใช้หรือกรรมกรทาว่าการงานนั้นทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำรู้อาการของคนภายในบ้านหากเป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแบ่งปันของกินของบริโภคให้ก็คนในบ้านตามควร 5. รักษาทรัพย์สินของสามีและไม่เป็นนักเลงการพนันขโมยนักดื่มไม่พพา่ทรัพย์ให้พินาศ 6. เป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ 7. เป็นผู้มีศีลงดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทและการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 8. เป็นผู้บริจาคไม่มีความตรหนียินดีในการสละ และการจำแนกฐานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนุรุตทะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐี เถพระนครสาวัถีช่างไม้ชื่อปันจากกังคะเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาสั่งว่าพ่อจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุธทธะยังที่อยู่แล้วกราบเท้าท่านเรียนท่านพระอนุรุธทธะว่าขอท่านพระอนุรุทะได้โปรโดนับตนเองเป็นรูปที่สี่รับนิมนต์นอาหารของช่างไม้ปันจกกังคะในวันพรุ่งนี้ และขอท่านพระอนุรุทธะไม่โปรดไปแต่เช้าเพราะช่างไม้ปัญจกังขะมีกิจหน้าที่ได้ราชการมากท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์ด้วยดุษนีภาพพอล่วงราตรีนั้นในเวลาเช้าท่านพระอนุรุทธะนุ่งสบงทรงบาททีวรเข้าไปยังที่อยู่อาศัยของช่างไม้ปัญจกังขะนั่งในอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ ช่างไม้ปัญจกังคาให้ท่านพระอนุรุทธะอิ่มนำสําราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จวางบาตรในมือแล้วจึงช่วยอาสนะต่ําที่หนึ่งมานั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทิ่สุผู้เถระทั้งหลาย มาหากระผมที่นี่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูกนคฤหาบดีจงเจริญเจโตวิมุตที่หาประมาณไม่ได้เถิดพระเถระบางพวกกล่าวว่าจงเจริญเจโตวิมุตที่เป็นมหคตตหรือเจโตวิมุตอันนี้อารมณ์ใหญ่เถิดข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่าทาสองข้อนี้คือเจโตวิมุตที่หาประมาณไม่ได้ และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตตะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรขอรับพระเถระ จ, จึงได้ถามกลับไปว่าแล้วท่านเข้าใจว่าอย่างไรช่างไม้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าทำสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคัตต์มีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน ต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นหมายถึงวิมุตติทั้งสองนี้มีความหมายเหมือนกันต่างกันเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นพระเถระกล่าวว่าเจโตวิมุตตทั้งสองนี้ต่างกันทั้งความหมายและพยัญชนะเจโตวิมุตตอันไม่มีประมาณคือพิษุพแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ไปตลอดทั้งโลกแล้วมีจิตเพียบพร้อมด้วยพรมวิหารธรรมอยู่อย่างไม่มีประมาณคือไม่มีขอบเขตจำกัดในผู้ใดผู้หนึ่งในที่ใดที่หนึ่งแผ่ไปอย่างไพยบู์กว้างขวางทั้งในสัตว์ทุกประเภทและในโลกทั้งปวงส่วนเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ใหญ่คือพิสูจนแผ่นนิมิตกสินไปครอบโคลนต้นไม้หนึ่งตนบางสองตนบาง สามนบ้างจากนั้นแผ่ขยายไปครอบเขตหนึ่งบ้างสองเขตบ้างสามเขตบ้างจากนั้นก็แผ่ขยายออกไปครอบคลุมประเทศหนึ่งบ้างสองประเทศบ้างสามประเทศบ้างจนกระทั่งแผ่ขยายไปครอบคลุมถึงแผ่นดินคือโลกที่มีมหาสมุทรเป็นที่สุดช่างไม้ได้ฟังพระเถระตอบแล้ว จึงเข้าใจความหมายของเจโตวิมุตต์ทั้งสองสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะได้ไปที่เมืองกบิลพัทพร้อมด้วยพิสุจ5 0ห้าร้อยรูปขณะที่ท่านพำนักอยู่ในเมืองผวกพระญาติของท่านเมื่อทราบข่าวการมาของท่านจึงได้มาสู่สำนักพระเถระยกเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหินี เมื่อพระเถระทราบว่าพระนางโรหินีไม่มาเพราะโรคผิวหนังบังเกิดขึ้นที่สรีระท่านจึงให้คนไปเชิญพระนางมาพบพระนางได้เรียนกับพระเถระว่าที่พระนางไม่มาก็ด้วยความละอายที่เป็นโรคเรื้อนเช่นนี้พระเถระได้แนะนำให้พระนางขายเครื่องประดับแล้วนำเงินที่ได้มาสร้างโรงฉันสำหรับพระพิสุสงิ์ ซึ่งพระนางได้ตอบตกลงตามคำแนะนำของพระเทระเมื่อรวบรวมได้เงินจากการขายเครื่องประดับของเจ้าหญิงมาแล้วพระเทระก็ได้ขอให้พระญาติคนอื่นๆช่วยดำเนินการในการก่อสร้างโรงฉันนั้นพระเทระแนะนาให้พระนางโรหินีทาโรงฉันเป็นสองชั้นให้ปูอาสนะไว้ชั้นล่างตั้งหม้อน้ำดื่ม และกวาดพื้นไว้เสมอๆ เ, เมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นั้นโรคของพระนางก็เริ่มมีอาการดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเมื่อโรงฉันสร้างเสร็จแล้วพระนางก็ได้นิมนต์พิสุสงฆ์มีพระาศาสดาเป็นประมุขมานั่งจนเต็มโรงฉันแล้วพระนางก็ได้ให้คนอังคาดพระาศาสดาแล้วพิสุสงฆ์ด้วยพัตตาหารที่ประนีดเมื่อเสร็จพัตกิจ พระพุทธองค์ตรัสถามว่านี่เป็นทานของผู้ใดพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นของโรฮินีพระน้องนางของข้าพระพุทธองค์พระาศาสดาจึงได้มีรับสั่งให้คนไปเชิญพระนางมาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าเธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอพระนางกราบทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าพระาศาสดาตรัสว่า โรคของเธอเกิดขึ้นเนื่องจากความโกรธในอดีตชาติพระศาสดาจึงได้นำบุพกรรมของพระนางมาเล่าว่าในชาติหนึ่งพระนางเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีได้มีจิตริษยาโกรธแค้นอาคาตหญิงนักเต้นรำคนโปรดคนหนึ่งของพระราชาผู้สวามีทรงดำรีว่า อยากให้ทุกบังเกิดแก่หญิงนั้นและให้คนนำลูกหมามุ้ยมาบดเป็นผงโรยใส่ในที่นอนและที่ผ้าห่มของหญิงนั้นต่อไปก็เรียกหญิงนั้นเข้ามาแล้วใช้ผงหมามุ้ยสาดลงบนตัวทำให้ร่างกายของหญิงคนโปรดของพระราชาเกิดอาการพู้พองเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่ยิ่งเก่าก็ยิ่งแสบคันเมื่อนางวิ่งเข้าไปในห้องนอน ก็ไปเจอกับผงหมามุ้ยที่โรยอยู่ตามที่นอนและที่ผ้าห่มซ้าเข้าอีกก็ยิ่งขันยิ่งเกาและยิ่งทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นพระอ克拉มเหสีในชาตินั้นก็คือเจ้าหญิงโรหินีในชาตินี้นั่นเองเพราะผลของบาปกรรมในครั้งนั้นเจ้าหญิงโรหินีจึงมาเป็นโรคเรื้อรังในปัจจุบันชาติครั้นทรงนาเรื่องในอดีตมาเล่าแล้วตรัสว่า โรฮินีก็กรรมนั้นที่เธอทำแล้วในการนั้นนั่นแหละที่ส่งผลให้มาเป็นเช่นนี้ก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยจากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสพระธรรมบทว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสินได้ ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเมื่อพระธรร ม, มเทศนาจบลงชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นแม้พระนางโรฮินีก็บรรลุโซดาปฏิผลพระนางได้หายจากโรคเรื้อนและมีผิวพันธุ์ดุจทองคำ พระอนุรุทธะเทระนั้นจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่หลังจากชำระร่างกายแล้วท่านจะนั่งพิจารณาระลึกถึงกับหนึ่งพันกับทั้งในอดีตและอนาคตหมื่นจักรวาลจะมาปรากฏในขณะเดียวกันวันหนึ่งท่านพระอนุรุทธะเทระระลึกได้ซึ่งบุคเพนิวาสานุสติว่าครั้งหนึ่งในอดีตชาติการก่อน เราเป็นผู้มีชื่อว่าอันนภาระเป็นผู้ยากจนเป็นคนขนยาเราได้ไปอาศัยสุมาณเศษฐีผู้มียศผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพาราณสีสุมาณเศษฐีเป็นผู้มอบเงินให้เราเหีืองชีวิตครั้งหนึ่งเราได้ถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริทถัปจเจคพุทธเจ้าสุมณเศษฐีได้ขออนุโมทนาบุญกับเรา ท่านพระอนุรุท ธ, ธาเทระคิดถึงสุมาณเศษฐีผู้เป็นทั้งเจ้านายและสหายเก่าว่าบัตดนี้ไปเกิดที่ไหนจึงได้เข้าสมาธิเล็งดูโลกธาตุพันหนึ่งได้ด้วยทิพยจักสุกก็พบว่าสุมาณเศษฐีเพื่อนเก่าบัตดนี้ตามมาเกิดทันกันแล้วแต่อายุไม่ทันกันสุมาณเศษฐี ได้มาเกิดในตระกูลของโยมอุปถาของท่านที่ชื่อว่ามหามุนทะในมุนทะนิคมซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาใกล้ป่าที่ถูกไฟไหม้อุบาสกที่เป็นโยมอุปถากท่านมีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อมหาสุมนณะคนที่สองชื่อจุลสุมนณะโดยสุมนณะเศรษฐีในอดีต ได้เกิดมาเป็นจุลสุมาณบุตรคนที่สองนั้นพระเทระไครครวญต่อไปว่าถ้าหากท่านไปในที่นั่นจะมีประโยชน์หรือไม่เมื่อตรวจดูด้วยจกักษุที่เป็นทิพย์ก็ได้ทราบว่าเมื่อไปถึงที่นั่นเพื่อนคนเก่าเราคือจุลสุมาณะซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดขวบก็จะออกบวชและด้วยบา ร, รมีที่เคยสั่งสมอบรมมา ก็จะทำให้เป็นผู้ปฏิบัติสบายและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเมื่อใกล้เข้าพรรษาท่านได้เดินทางไปหามหามุนทะโยมอุปถาคนนั้นมหามุนทะอุบาศดีใจที่ได้เห็นพระคุณเจ้าผู้คุ้นเคยกันมาจึงสั่งกบุตรชายคนโตว่าเจ้าจงไปรับบายของพระคุณเจ้ามาพ่อจะจัดเตรียมอาสนะไว้สำหรับท่าน เมื่อพระอนุรุธทธะเทระมาอุบาสกจึงขอร้องให้พระเทระจำพรรษาในที่นั่นตลอดพรรษานี้พระเทระจึงช่วยอบรมสั่งสอนแก่จุลสุมณาสหายเก่าครั้นถึงวันออกพรรษาถึงวันปวารณาอุบาสกก็นำไตรจีวร อ, อาหารวัตถุน้ำอ้อยน้ำมันเข้าสาร มาวางไว้ใกล้เท้าพระเทระแล้วก็เรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดพระเทระกล่าวว่าอย่าเลยอุบาสกฉันไม่ได้มีความต้องการด้วยวัตถุเหล่านี้อุบาสกก็บอกว่าท่านผู้เจริญนี้ชื่อว่าวัดสาวาสิกลาภคือลาภอันเกิดแก่ผู้อยู่จำพรรษา ขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับวัตถุนั้นไว้เถิดพระเถระกล่าวปฏิเสธว่าช่างเถิดอุบาสกอุบาสกจึงถามว่าท่านย่อมไม่รับเพราะอะไรขอรับพระเถระกล่าวว่าแม้สามเณรผู้เป็นกัปปิยะการกในสำนักของฉันก็ไม่มีหมายความว่าในสำนักท่านนั้นไม่มีสามเณรที่คอยรับใช้ สามารถทำสิ่งที่สมควรต่างๆให้แก่พิสุกได้อุบาสกกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุมาณะผู้เป็นบุตรของกระผมจักเป็นสามเณรพระเทระกล่าวว่าอุบาสกความต้องการด้วยมหาสุมาณะของฉันไม่มีอุบาสกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงให้จุลสุมาณะบวชเถิด พระเถระรับว่าดีละแล้วจึงให้จุลสุมาณบวชเมื่อความปรารถนาที่จะอนุเคราะห์จุลสุมาณของพระอนุรุธทธเถระสำเร็จท่านก็จัดการเอาน้ำมาลูบผมสุมาเป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาดีข้ามพบข้ามชาติเพราะฉะ น, นั้นเวลาบวชเพียงใบมีโกนจะหลดปลายเส้นผม ก็สามารถพิจารณาเห็นแจ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขารแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอปลงผมเสร็จก็บรรลุอรหัตผลทันทีพระเถระอยู่ในที่นั้นกับจุลสุมาณสสามเณรประมาณกึ่งเดือนแล้วลาพวกญาติของเธอว่าพวกฉันจากเฝ้าพระศ า, าสดาดังนี้แล้วหอขึ้นสู่เวหาลงที่กระท่อมอันตั้งอยู่ในป่า ในหิมะวันตาประเทศวันหนึ่งขณะที่พระอนุรุทธเทระกำลังเดินจงกรมโรคลมเสียท้องก็เกิดขึ้นกับท่านสามเณรทราบอาการจึงเรียนถามพระอาจารย์ว่าความสบายย่อมมีด้วยอะไรเล่าขอรับพระเทระกล่าวว่าเมื่อฉันได้น้ำดื่มจากสาอนนดาดความสบายย่อมมี สามเณรจึงอาส า, าจะไปเอาน้ำจากสาอนดานมาถวายพระเถระกล่าวว่าถ้ากระนั้นหน้าคราชชื่อปันนกะในสาอนุดานย่อมรู้จากฉันเธอจงบอกแกหน้าคราชนั้นแล้วนำน้ำดื่มขวดหนึ่งมาเพื่อประโยชน์แกการประกอบยาเธอสามเณรกล่าวรับคำแล้วไหว้พระอุปชายยะเหาะขึ้นสู่เวหา ได้ไปตลอดที่ห้าร้อยโยนแล้ววันนั้นพญานาคราชกำลังเล่นน้ำกับนาคบริวานอยู่พอได้เห็นสามเณรอยู่ในอากาศเหนือศีรษะของตนก็โกรธมากแล้วคิดว่าสมณะโลนนี้เที่ยวโปรยฝุ่นที่เท้าของตนลงกระหม่อมของเราสมณะโลนนี้จักเป็นผู้มาแล้ว เพื่อต้องการน้ําดื่มในสาอโนดาษบัดนี้เราจะไม่ให้น้ําดื่มแก่เธอดังนี้แล้วนอนปิดสาอโนดาษซึ่งมีประมาณถึงห้าสิบโยดด้วยพังผานดุดบุคคลปิดหม้อข้าวด้วยถาดใหญ่ฉะนั้นสามเณรเห็นอาการของนาคราชก็ทราบว่านาคราชกำลังโกรธจึงกล่าวว่าพญานาคราชผู้มีเด็กกลามีกาลังมาก เรามาเพื่อจะขอน้ไปปรุงยารักษาพระอาจารย์ซึ่งกำลังอาพาธอยู่ขอให้ท่านได้ให้น้ำแก่เราด้วยเถิดนาคราชบอกว่าแม่น้ำใหญ่ชื่อคงคาณ์าเบื้องทิศบุรพ า, าย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรท่านจงนำเอาน้ำดื่มจากแม่น้ำคงคานั้นไปเถิดสามารถเรีนรู้ว่าพญานาคคงจะไม่ให้น้ำง่าย จึงคิดจะทรมานพญานาคให้คลายทิถิมานนะจึงกล่าวว่าท่านนาคราชพระอุปชาให้เรานำน้ำจากสาอนโนดาษนี้เท่านั้นท่านจงหลีกไปเสียอย่าห้ามข้าพเจ้าเลยพญานาคฟังแล้วยิ่งโกรธหนักขึ้นจึงท้าสามเณรประลองฤทธิสุมณสามเณรปรารถนาจะยกยอพระาศาสนาให้สูงเด่นให้เหล่าเทวดาพรหม อรูปพรหมได้เห็นอนุภาพของพระรัตนตรัยจึงใช้ริธานุภาพเหาะไปหาเทวดาทุกชั้นฟ้าเพียงแค่เวลาชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไปถึงพรหมโลกประกาศให้เทวดาและพรหมได้มาเป็นสักขีพยานว่าเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่อสู้กับปัญกนาคราชที่สาอ น, นดานขอท่านทั้งหลาย จงไปดูความพ่ายแพ้หรือชัยชนะที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นพยานให้กับเราด้วยเว้นเสียแต่อสันยีสัตว์และอรูปรมเหล่าเทวดาทั้งหมดฟังคำของสามเณรแล้วก็มาประชุมกันเหนืองนั่นเต็มบริเวณซ้อนกันอยู่หลายรอบสาอโนดาษขณะนั้นพญา น, นาก็ได้แปลงร่างขนาดใหญ่ แผพังผานไม่ให้สามาเณรนำน้ำไปได้สามาเณรก็เริ่มประลองรีดกับพญานาคราชโดยหอขึ้นไปกลางอากาศแล้วเนรมิตกายสูงถึงส2บสองโยธเหยียบพังผานของพญานาคกดหน้าให้คว่ำลงทันทีที่เหยียบลงไปบนพังผานของพญานาคเท่านั้นแผ่นพังผานก็ได้หดเข้าประมาณเท่าทับผีน้ำในสระอโนดาก็พุ่งขึ้นมา ให้สามเณรรองใส่ภาชนะที่นำมาจนเต็มหมู่ทวยเทพต่างก็แซ่ซ้องสาธุ ก, การกันไปทั่วบริเวณนาคราชละอายโกรธต่อสามเณรแล้วในตาทั้งสองของนาคราชนั้นได้มีสีดุดดอกฉบาพญานาคนั้นคิดว่าสมณะลน้นนี้ให้หมู่เทพประชุมกันแล้วถือเอาน้ำดื่มอย่างเราให้ละอายแล้ว เราจะจับเธอสอดมือเข้าไปในปากขยี้เนื้อฮะไทยของเธอเสียหรือจะจับเธอที่เทา้าแล้วคว้างไปฟากแม่น้ำข้างโนนดังนี้แล้วติดตามไปโดยเร็วแม้ติดตามไปอยู่ก็ไม่สามารถจะทันสามเณรได้เลยสามเณรมาแล้ววางน้ำดื่มไว้ในมือพระอุปชัยยะเรียนว่าขอท่านจงดื่มเถิดครับ แม้พญานาคที่ตามมาถึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญสามเนนถือเอาน้ําซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้เลยมาขอท่านจงอย่าดื่มพระเถระถามว่าในว่าอย่างนั้นหรือสามเนนสามเนนเรียนว่าขอนิ้มน์ท่านดื่มเถิดครับน้ําดื่มอันพญานาคนี้ให้แล้วกระผมจึงนํามาพระเถระทราบว่า ขึ้นชื่อว่าการกล่าวคำเทจของสามเณรผู้เป็นขีณาศพย่อมไม่มีจึงดื่มน้ำแล้วอาพาธของท่านสงบลงในขณะนั้นเองน่าคาราชกล่าวกับพระเถระอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้อันสามเณรให้หมู่เทพทั้งหมดประชุมกันทําให้ละอายแล้วข้าพเจ้าจัผ่าหาไทยของเธอหรือจักจับเธอที่เทา้า และคว้างไปที่ฝั่งแม่น้ำข้างโนนพระเถระกล่าวว่ามหาราชสามเณรมีอนุภาพมากท่านจักไม่สามารถเพื่อสู้รบกับสามเณรได้ท่านจงให้สามเณร น, นั้นอดโทษแล้วกลับไปเสร็จเถิดพญานาคนั้นย่อมรู้อนุภาพของสามเณรแต่ติดตามมาเพราะความละอายลำดับนั้นพญานาค ให้สามเณรนั้นอดโทษตามคำของพระเถระทาความชอบพอกันฉันมิตรกับเธอแล้วกล่าวว่าจากนี้เมื่อความต้องการด้วยน้ำในสาอโนดามีอยู่กิจ ด, ด้วยการมาแห่งพระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่มีพระผู้เป็นเจ้าพึ่งส่งข่าวไปถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองจักนาน้ามาถวายดังนี้แล้วหลีกไป หลังจากนั้นพระเถระได้พาสามาเณรหอกมายังเชตวันวิหารพระศาสดาทรงทราบความมาแห่งพระเถระแล้วประทับนั่งทอดพระเนตรการมาแห่งพระเถระถึงพวกพิสุก็เห็นพระเถระซึ่งกำลังมาลุกขึ้นต้อนรับรับบาตรและจีวรแต่พิสุกใหม่บางพวกขนองตามประสาปุถุชน ไม่รู้ว่าเนนเป็นพระอระหันต์เห็นสุมาณะสามเณนรน่ารักก็มาลูบหัวบ้างจับหูบ้างพูดจาหยอกล้อต่างๆเช่นว่าไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือสามเณรเป็นต้นพระศ า, าสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของพิสูจน์เหล่านั้นแล้วทรงดรําริว่ากรรมของพิสูจน์เหล่านี้หยาบจริงพิสูจนเหล่านี้ จับสามเณรดุดจับอสารพิษที่คอพวกเขาหารู้อนุภาพของสามเณรไม่วันนี้การที่เราทำคุณของสุมณสามเณรให้ปรากฏสมควรอยู่พระอนุรุธทธเทระถวายบังคมพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทรมปฏิสันถานด้วยท่านแล้วตรัสเรียกพระอานนทเทระมาแล้วตรัสว่า อานนท์เราเป็นผู้มีความประสงค์เพื่อจะล้างเท้าทั้งสองด้วยน้ำในสระอนูดาธเธอจงให้หม้อกแก่พวกสามเณรแล้วให้นำน้ำมาถือพระเถระให้สามเณรประมาณห้าร้อยในวิหารประชุมกันแล้วบรรดาสามเณรเหล่านั้นสุมาณสามเณรได้เป็นผู้ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมดพระเถระกล่าวกับสามเณรผู้แก่กว่าสามเณรทั้งหมดว่า พระาศาสดามีพระประสงค์จะส่งล้างพระบาททั้งสองด้วยน้ำในสระอนุดายเธอจงถือหม้อน้ำไปนำน้ำมาเถิดสามเณรนั้นไม่ปรารถนาด้วยกล่าวว่ากระผมไม่สามารถครับพระเถระถามสามเณรทั้งหลายแม้ที่เหลือโดยลำดับแม้สามเณรเหล่านั้นก็พูดปลีกตัวอย่างนั้นแหลมีคำถามว่า ก็บันดาสามเณรเหล่านี้สามเณรผู้เป็นขีณาศพไม่มีหรือตอบว่ามีอยู่แต่สามเณรเหล่านั้นไม่ปรารถนาด้วยคิดเห็นว่าพวงดอกไม้นี้พระาศาสดาไม่ทรงผูกไว้เพื่อพวกเราพระองค์ทรงผูกไว้เพื่อสุมนณะสามเณรองเดียวแต่พวกสามเณรผู้เป็นปุถุชนไม่ปรารถนาก็เพราะความที่ตนเป็นผู้ไม่สามารถนั่นเอง ก็ในที่สุดเมื่อวาระถึงแก่สุมาณะสามเณรพระเถระกล่าวว่าสามเณรพร ะ, ราาาาพระาศาสดามีพระประสงค์จะส่งล้างพระบาททั้งสองด้วยน้ําในสระอนดาดเธอจงถือเอาม้อไปตักน้ํามาสุมาณะสามเณรนั้นเรียนว่าเมื่อพระาศาสดาทรงให้นํามากระผมจักนํามาดังนี้แล้วถวายบังคมพระาศาสดาแล้ว กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระองค์ให้ข้าพระองค์นำน้ำมาจากสาอนูดารหรือพระเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นสุมนณะสุมนณะสามเณร น, นั้นเอามือจับหม้อใหญ่ใบหนึ่งซึ่งจุน้ำได้ตั้งหกสิบหม้อในบรรดาหม้อสำหรับเสนาสนะซึ่งเลี่ยมดาด้วยทองแท่งอันนางวิสาขาให้สร้างไว แล้วหอะขึ้นสู่เวหาดบ่ายหน้าต่อหิมวันตระเทศนาคราชเห็นสามเณรซึ่งกำลังมาแต่ไกลเทียวจึงต้อนรับกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อผู้รับใช้เช่นข้าพเจ้ามีอยู่เพราะอะไรพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสีเองเมื่อความต้องการน้ำมีอยู่เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ส่งเพียงข่าวสารมา ดังนี้แล้วเอาหม้อตักน้าแบกเองแล้วกล่าวว่านิมนพรผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถิดครับข้าพระเจ้าเองจะนาไปสามเณรกล่าวว่ามหาราชท่านจงหยุดข้าพระเจ้าเองเป็นผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้มาดังนี้จึงให้พิญานากลับแล้วเอามือจับที่ขอบปากมหม้อเหาะมาทางอากาศ ลำดับนั้นพระศาสดาทรงแลดูเธอซึ่งกำลังมาตรัสเรียกพวกพิสุมาแล้วตรัสว่าพิสุกทั้งหลายพวกเธอจงดูการยื้อกรายของสามเณรเธอย่อม ง, งดงามดุจพยาหงในอากาศฉะนั้นแม้สามเณรนั้นวางหม้อน้ำแล้วได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าสุมณะ เธอมีอายุได้เท่าไหร่สามเณรกราบทูลว่ามีอายุเจ็ดขวบพระเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสว่าสุมนะถ้ากระนั้นตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นพิสุเถิดดังนี้แล้วได้ประทานทายะชะอุปสมบทคือการบวชสามเณรที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปีแต่มีคุณสมบัติพร้อมให้แก่สุมนะสามเณร ได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุเจ็ดปีเพียงสองรูปเท่านั้นที่ได้อุปสมบทคือสุมาณะสามเณรนี้รูปหนึ่งและโสปากาสามเณรอีกรูปหนึ่งเมื่อสุมาณะสามเณรนั้นอุปสมบทแล้วอย่างนั้นพวกพิสุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมนี้น่าอัศจรรย์อนุภาพของสามเณรน้อย แม้เห็นปานนี้ก็มีได้อนุภาพเห็นปานนี้พวกเราไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแต่การนี้พระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าพิสุท์ทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนานกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกเธอกราบทูลว่าด้วยเรื่องนี้พระเจ้าค่าพระศ า, าสดาตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลาย ในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นเด็กปฏิบัติชอบแล้วย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้เหมือนกันท่านพระอนุรุท ธ, ธะมักจะชี้แจงให้เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเห็นความสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานมีปรากฏว่าท่านได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานอยู่หลายครั้งด้วยกันอย่างในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมกขลานะและท่านพระอนุรุท ธ, ธะอยู่นักกันตะกีวันใกล้เมืองสาเกตครั้งนั้นท่านพระสาริบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะออกจากที่พักผ่อนในเวลาเยน็นเข้าไปหาท่านพระอนุรุท ธ, ธะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอนุรุทะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ถึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระสาริบุตรได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธว่าดูก่อนท่านอนุรุทธะที่เรียกว่าพระเสขะพระเสขะดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระเสขะ หรือผู้ที่ยังต้องศึกษายังเป็นผู้เดินมักยังไม่หลุดพ้นยังไม่ใช่พระอรหันต์นั้นเพราะเจริญสติปัฏฐานสีได้เป็นส่วนส่วนอีกครั้งหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรเถระนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะว่าดูก่อนท่านอนุรุท ธ, ธะที่เรียกว่าพระอเสขะพระอเสขา ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพระอเศคะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระอเศคะหรือผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วผู้บรรลุมรรคผลแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเพรา ะ, จะเจริญสติปัฏฐานสีได้บริบูรณ์สติปัฏฐานสีเป็นชนไหน พิสุในธรรมวิเนัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทะ และท่านพระสารีบุตรอยู่ในอัมพปาลีวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักเข้าไปหาท่านพระอนุรุท ธ, ธะครั้นแล้วได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะว่าดูก่อนท่านท่านอนุรุทะอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ในเวลานี้ท่านอนุรุท ธ, ธะอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อไหนมากท่านพระอนุรุท ธ, ธะตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานสี่มากสติปัฏฐานสี่เป็นชไหนผมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชชาและโทมนักในโลกเสียได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุเวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมเหล่านี้เป็นอันมากอยู่พิสุกไดเป็นอรหันตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ลงภาระลงแล้วบรรลุซึ่งประโยชน์ของตนแล้วสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่พบแล้วเพราะรู้โดยชอบพิสูุน์นั้นมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อยู่มากในครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นลาบของเราแล้วเราได้ดีแล้วที่ได้ฟังอาสภิวาจาในที่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะผู้กล่าว ครั้งหนึ่งพระอนุรุธทธะเทระท่านอาพาธอยู่ที่อันทวันในพระนครสาวัตถีท่านได้บอกกับพิสุท์ทั้งหลายว่าความเจ็บปวดไม่ครอบงาจิตใจของท่านเลยปพระจิตของท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐานและเมื่อพิสุจ์เป็นอันมากถามท่านเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาท่านก็ได้บอกกับพิสุจธ์ทั้งหลายว่า เพราะท่านเจริญสติปัฏฐานจึงมีความชำนาญในอภิญญาเช่นระลึกได้ถึงหนึ่งพันกับเป็นต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเขพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพรมองค์หนึ่ง เกิดทิฐิอันชั่วช้าว่าไม่มีสมณะหรือพรามใดที่จะมาในพรหมโลกได้พระองค์จึงส่งไปปรากฏในพรหมโลกนั้นประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้นแล้วเข้าเตโชาธาตุกสินครั้งนั้นพระมหาโมคขลนะพระมหากัส ป, ปะพระมหากัปปินะ และพระอนุรุทธะได้มีความคิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นัดที่ไหนเมื่อได้เห็นพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรมเข้าเตโชธาตุกสิณอยู่ด้วยตาทิพย์พวกท่านทั้งหมดจึงได้ไปปรากฏในพรหมโลกนั้นแล้วอาศัยทิศบูรพาทักษิณประจิมและอุดรตามลาดับ นั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าเตโชาธาตุกสินเมื่อพรห ม, มเกิดความสลดใจทิฏฐิในการก่อนได้หายไปเห็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เป็นไปล่วงวิเศษเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ในพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงกลับมายังพระวิหารเชนวันจากนั้น พรมได้ให้พรมปาริฤศชะมาหาพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ถามว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัส ป, ปะพระกัปปินะและพระอนุรุทะยังมีสาวกอื่นของพระผู้มีพระภาคอีกหรือไม่ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากซึ่งพระมหาโมคคัลลานะตอบว่ายังมีสาวกของพระพุทธเจ้าอีกมาก ซึ่งได้วิชาสามบรร ล, ลุอิทธิวิทยานและฉลาดในเจโตปริย า, ยานหมดอาสวะไกลจากกิเลสเมื่อได้ฟังแล้วพรมปาริสัตชะเกิดความชื่นชมอนุโมทนาพาสิตนั้นกลับไปกล่าวพาสิตนั้นแก่พรหมซึ่งพรหมก็มีใจยินดีชื่นชมพาสิตของพรหมปาริสัทชะพระอนุรุทธเถรานั้น ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เจริญอาโลกสินตรวจดูเหล่าสัตว์ด้วยทิพยาจากักษุอย่างเดียวเว้นแต่ช่วงเวลาฉันเท่านั้นท่านเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดตลอดห้าบห้าปี25่สิบห้าปีแรกนั้นไม่ได้หลับแม้ทั้งกลางวันและกลางคืนต่อแต่นั้นจึงได้หลับเฉพาะในเวลาปัดจิมมยามหรือตอนกลางคืนเพราะร่างกายอ่อนเปลีย เมื่อคราวครั้งพระบรมศาสดาจะเสด็จถับคันธปรินิพานหลังจากพระองค์ได้ทรงมีปัจฉิมวาจาแก่เหล่าพิสุทธทั้งมวลแล้วทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าฌานสูงขึ้นไปเป็นลําดับจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธด้วยเหตุว่าผู้ที่เข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัตินั้นลมหายใจก็จะหมดไป ทำให้มิทราบว่าทรงปรินิพานแล้วหรือยังเมื่อเทพพญดาลและมนุษย์เห็นความไม่เป็นไปของลมอัศสาสะปัสสาสะิึงได้ร้องขึ้นพร้อมกันด้วยเข้าใจว่าพระาศาสดาปรินิพานเสร็จแล้วฝ่ายพระอานอนทเทระถามพระอนุรุธทธาเทวรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วหรือพระอนุรุธทธาตอบว่าพระตถาคต ยังไม่ปรินิพานแต่พระองค์ส่งเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติการที่พระอนรุรทธะเทระทราบดังนั้นก็เป็นด้วยพระเทระท่านเข้าสมาบัตินั้นๆพร้อมกับพระศาสดาที่เดียวและเมื่อท่นานทราบว่าพระพุทธองค์ส่งเข้านิโรธสมาบัติจึงทราบว่าอย่างทรงไม่ปรินิพานเพราะเหตุว่าการสิ้นชีวิตภายในนิโรธสมาบัติย่อมไม่มี